พิจารณาสังขารอิจาวัตสังขาราอย่างที่เราได้สวดเมื่อกี้นี้สุดท้ายก็จะบอกว่าเตสังบูปสมโสุด โ, โขความสงบระ ง, งับแห่งสังขารบางทีเราก็แปลให้ง่ายขึ้นก็คือว่าการปล่อยวางเพราะว่าที่สงบไม่ได้ก็เพราะว่ายังไปยึดเอาไว้ปล่อยวาง อย่างเวลาคนเท่าคนแก่ได้ข่าวร้ายว่ามีคนตายก็จะอุทายขึ้นมาว่าอนิจจาอ น, นิจจาอ น, นิจจาอ น, นิจจานี่ก็จะว่าไปก็มาจากบทสวดเมื่อกี้นี้อ น, นิจจาวัตสัง卡拉คือมันสรุปว่าเออเป็นอย่างนี้เองให้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เสียใจ เพยอมรับความจริงได้แต่ว่าเราสังเกตบ้างหรือเปล่าในบทสวดปัจิมโอวาทก็ผู้เรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเหมือนกันวิยธรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าให้ปล่อยวางก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดผู้เรื่องเดียวกันนะ พุทธ จ, จ้าจัเรื่องเดียวกันคือเรื่องความเสริมของสังขารแต่ว่าในที่นึงก็บอกว่าปล่อยวางแต่ว่าในอีกที่นึงคือในปาชิมโอวาตก็บอกว่าต้องทําความให้ประมาทอันนี้ก็ดูดูต่างกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งกันที่จริงก็เป็นการเสริมกันเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก็ต้องอยอมรับความจริง จะไปยึดไปอยากให้มันเป็นอย่างใจหรือเป็นอย่างอดีตนั้นไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงนั่นก็ปล่อยวางอนิจจาแต่ว่าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเรารู้อยู่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเช่นความแก่ความเจ็บความตยายเพราะนั้นก็ต้องไม่ประมาทเอาไว้ไม่ประมาทหมาย ว, ามว่าต้องลงไม้ลงมือ ที่จะป้องกันป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวและป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องในตัวคือเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนอกตัวก็อย่างเช่นเราจะสร้างตึกจะสร้างอาคารนะก็ต้องไม่ประมาทเรื่องอุบัติเหตุเรื่องโจลเรื่องขโมยก็ต้องเตรียมป้องกันเอาไว้อะไรที่จะป้องกันได้เช่นการเตรียมป้องกันไฟ เตรียมป้องกันอุบัติเหตุเตรียมก้องกันคนจะขโมยก็นี่ก็ต้องจัดการซื้อกุญแจอะไรมาหรือว่าเตรียมเครื่องมือดับเพลิงหรืออย่างขับรถก็ต้องอมีประกันอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันเพราะไม่ประมาทหรือว่าร่างกายเราแม้ว่าจะแข็งแรงตอนนี้แต่ว่าอย่าประมาดโรคไปอาจจะเบียดเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ก็เตรียมตัวเอาไว้ การตรแลรักษาสุขภาพให้ดีออกกําลังกายในส่วนของจิตใจก็ต้องเตรียมเตรียมใจไปด้วยเตรียมใจไม่ใช่เตรียมปล่อยวางอย่างเดียวแต่ว่าเตรียมให้เกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของชีวิตเตรียมจิตเตรียมใจว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ตื่นตกใจจยอมรับความเจ็บความปวดได้มีสติไม่ปล่อยให้ความปวดความเจ็บเข้ามาคุกคามจิตใจอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึก จะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันก็เสร็จแน่นะต้องฝึกนะต้องลงมือฝึกต้องใช้ความเพียรนะจะงอมืองอเท้าไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้งั้นเนี่ยมันต้องทำสองอย่างก็คือทำจิตแล้วก็ทำกิจนะทำจิตก็คือทำใจฝนะึกจิตฝึกใจไว้กับทำกิจทำกิจก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องนอกตัว เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติต่างๆต้องทำสองอย่างทําจิตเงก็ปล่อยวางแต่ทํากิจนี่มันต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้แม้แต่ทําจิตก็ต้องป้องกันเหมือนกันจะไปนึกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําจิตทําใจอย่างเดียวทํากิจก็ต้องทําด้วยอย่างที่เคยพูดไว้แล้วหลังคารั่วก็ต้องซ่อมนี่เป็นเรื่องการทํากิจเรื่องการ เข้าใจนะการฝึกจิตให้เกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจความจริงของชีวิตมันต้องอาศัยการฝึกฝนและนี่แหละก็ทำให้เรามามาเจริญสติมาทำกรรมฐานกันเราไม่ได้มาทำกรรมฐานเพื่อให้ใจนี้เกิดความสงบเท่านั้นสงบเวลาอยู่วัด อันนี้มันสงบชั่วคราวมันอาศัยสิ่งแวดล้อมมาช่วยทำให้ใจสงบไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราไม่มีงานการที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายและนี้ก็สงบได้แต่เราคงจะไม่ได้อยู่ในวัดตลอดชีวิตก็ต้องออกไปข้างนอกต้องกลับไปบ้านกลับไปเรือนหรือแม้แต่อยู่วัดก็ต้องออกไปเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่สมัยนี้ไม่ต้องออกไปหรอก ความวุ่นวายจากข้างนอกก็เข้ามาที่วัดแล้วเดี๋ยวนี้เสียงดังงานมหรสศพบางทีก็มีเสียงเครื่องยนต์บางทีก็มีคนเข้ามามาก่อความวุ่นวายในวัดหรือไม่ก็หาเรื่องมาปรึกษาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะอาศัยความสงบจากสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ได้มันเป็นความสงบชั่วคราวเราต้องอาศัย ความสงบที่เกิดจากใจเกิดจากใจที่มีเครื่องคุ้มกันธรามที่มีอุปการะมากมีสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะถ้าเรามีสติแล้วก็สัมปชัญญะคือความระลึกได้และความรู้ตัวแม้จะมีเรื่องกระทบจากข้างนอกเข้ามามันก็เข้าถึงใจไม่ได้หูได้ยินเสียงเสียงดัง นะแต่ถ้าใจมีสติมันก็ไม่ทุกข์ความดังมันก็ไม่ดังมาถึงใจแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีสติกันมันไม่ได้ดังแค่หูมันดังมาถึงใจเวลาเจ็บมันไม่ได้เจ็บแค่กายมันเจ็บเข้ามาถึงใจไม่ใช่กายป่วยอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเวลาร้อนมันไม่ใช่แค่ร้อนแค่กายมันร้อนเข้าไปถึงใจอันนี้เพราะไม่มีสติ และสัมปชัญญะเป็นเครื่องคุ้มกันพระพุทเจ้าก็เลยเปรียบเหมือนกับคนทั่วไปนี่ก็เหมือนกับเวลาประสบทุกขเวทนาก็เหมือนกับเจอธนูเข้าไปสองดอกธนูดอกแรกนี่มันทุกทางกายธนูที่สอ น, นี่ทุกทางใจเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมมันไม่พอ เพราะว่าความสงบจากสิ่งแวดล้อมมันไม่เที่ยงยิ่งต้องออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนไปเจอสิ่งที่มากระทบสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามใจไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นมลภาวะรถติดคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรารวมทั้งใจเราเองก็ไม่เป็นไปตามอย่างที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้อง มีสติสัมปชัญญนะคอยเป็นเครื่องคุ้มกันจะเรียกเป็นด่านแรกก็ได้เพราะฉะนั้นนี่จะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ได้โดยเพราะความสงบจากการไม่คิดสงบจากการไม่คิดคือไปห้ามความคิดเอาไว้หรือเข้าไปเพ่งไปจ้องความคิดเอาไว้หรือปิดตาไม่รับรู้อะไรหรืออยู่ในห้องเล็กๆที่ไม่มีอะไรเข้ามากระทบ ไห้ลำคานใจแบบนี้เป็นความสงบที่วางใจไม่ได้เป็นความสงบที่เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวสงบด้วยการปิดตาไม่รับรู้อะไรเพราะอยู่แต่ในห้องอันนี้นะเขาเปลี่ยนมันก็หินทับหญ้าหินทับหญ้าไว้พอยกหินขึ้นหญ้าก็ขึ้นใหม่ เพราะว่ามันอาศัยหินเข้ามาเท่านั้นเองเข้ามากรบเข้ามาปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีที่จะรักษาจะให้สงบได้แม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจแม้จะเข้ามากระทบแต่ว่ามันก็หยุดอยู่ที่แค่ทวารเท่านั้นแหละ ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันไม่ลุกเข้ามาถึงใจเพราะฉะนั้นก็อย่าไปพอใจหรืออย่าอย่าไปประมาทเวลาใจเราสงบแล้วก็ไปพยายามไปบังคับให้ใจสงบก็ไม่ได้แการปฏิบัติเราฝึกให้รู้อยู่ บ, บ่อยๆถ้ามันสงบอารมณ์ความรู้สึกความคิดมันไม่โผลมาให้สติได้รู้ ปัญญามัก็ไม่เกิดต้องเห็นอยู่บ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆจนกระทั่งรู้แล้วก็ระลึกได้ระลึกได้ในอารมณ์เหล่านั้นระลึกได้ในอารมณ์เหล่านั้นระลึกได้ในความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นอ๋อมันมีสภาพว่ามีลักษณะอาการอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็จะได้ไม่ไม่หลงเกิดขึ้นก็ระลึกไดอ๋อนี่โกรธอ๋อนี่เกลียด อนี่ความคิดปรุงแต่งความระลึกได้สติความระลึกได้อันนี้ถ้าระลึกได้อย่างส า, ลลางมัญธรรมดาก็ระลึกได้ว่า <c oughs> เดือนนี้ปีนี้พศนี้ออคือเดือนเกิดของเราปีเกิดของเราระลึกได้ว่าอ๋อเรานัดหมายอะไรเอาไว้นะอันนั้นมันสติธรรมดาแต่ถ้าเป็นสัมมาสติก็คือระลึกได้เมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์ พอเมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์ก็คลาดออกไปจากปัจจุบันมันไปอยู่ในโลกแห่งความคิดในโลกแห่งอดีตหรืออนาคตแล้วลึกได้แล้ลึกได้ในว่ากําลังทําอะไรอยู่กลับมาสู่อิริยาบถ ท, ที่กําลังทําในขณะนั้นกําลังทําวัดอยู่ใจลอยไปโน่นไปนี่แล้วลึกได้ว่ากำลังทําวัดอยู่กลับมาเมื่อกลับมาอยู่กับการทําวัดก็สาธยายบทสวมดมนต์ได้ถูกต้อง ไม่เผลอไปจากพุทธังเป็นสังขังหรือจากทำมังเป็นสังขังอะไรเหล่านั้นและที่สำคคือราลึกได้ในอารมว่าอ้อารมณ์อารมณ์อารมณ์มันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้ความความหงุดหนิดลำคาญใจเป็นอย่างนี้ระลึกได้้ะลึกได้ก็ไม่ถูกมันหลอกล่อไปแล้วแต่ก่อนไม่รู้แต่ก่อนมันหลงเข้าไปลืมตัว เมื่อระลึกได้ช่นนี้มันก็มาคลองใจไม่ได้นะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เข้าเข้ามาคลองใจไม่ได้และความสงบก็จะเกิดขึ้นเพราะมีความระลึกหรือความรู้อย่างนี้อยู่บ่อยๆการเจริญสตินี่บางทีเราก็เปรียบเหมือนกับการเติมน้ำนะเติมน้ำในในโอง่งหรือว่าในหม้อดินน้ำจะเต็มได้เนี่ย ประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยสองอย่างก็คือว่า1เติม น, น้ำอยู่เสมอเติม น, น้ำเรื่อยๆ 2. หม้อมันต้องไม่รัว่วหรือไม่ปล่อยให้น้ำซึมออกไปเลยเป็นระยะระยะการที่เรามาเจริญสติในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือเก็บอารมณ์เนี่ยก็คือเป็นการพยายามที่จะเติม น, น้ำเอาไว้เติมน้าเรื่อยๆเติมน้ำเรื่อยๆ รู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งรู้กายรู้ใจเวลายกมือก็รู้เวลาใจลอยใจฟุ้งก็รู้กายเคลื่อนไหวใจคิดนึกนีร่รู้รู้แต่ละครั้งก็มากับการเติมน้ำเข้าไปทีละหยดทีละหยดแต่ว่าถ้าเราไม่รักษาไม่ระวังปล่อยให้องมันรั่วหรือหม้อ ด, ดินมันรั่วหรือ ปล่อยให้น้ําซึอมออกซึมหมองซึมออ ก, อออกเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะมันซึอมออกทำไมถึงซึมเพราะว่าเวลาเลิกเลิกสร้างจังหวะเวลาออกจากทางจงกลมอกินเวลากินข้าวอาบน้ําถูฟันเวลาพูดคุยกับคนเวลาที่ไม่ใช่ปฏิบัติในรูปแบบก็ปล่อยใจลอยกินข้าวกับเพลินกับการกับรสชาติของอาหาร เรลอให้ใจมันคิดนึกเวลาคุยกับคนก็ฟุ้งไปคุยเสร็จไม่พอกลับมาก็ฟุ้งอีกนะอันนี้เรียกว่าน้ำมันซึมออกซึมออกซึมออกเติมเท่าไหร่ก็ตามในเวลาปฏิบัติในรูปแบบแต่พอไปเกี่ยวข้งของกับผู้คนก็มันออกหมดนะแม้จะเก็บอารมณ์แต่ว่าพอเลิกปฏิบัติอ้าวเดี๋ยวใจลอยอละปล่อยใจลอย หาเรื่องคิดการปฏิบัติถึงต้องมี2แบบนะปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัตินอกรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบก็เปรียบเหมือนการเติมน้ําเติมเติมเข้าไปส่วนการปฏิบัตินอกรูปแบบมันจะทําหน้าที่เหมือนกับคอยเก็บคอยเก็บน้ำมาไว้คือคอยเก็บสติเอาไว้ไม่ให้มันตกหล่นเลี่ยไล่าการปฏิบัติต้องทํา2อย่างอย่าไปเน้นแต่เฉพาะว่าต้องปฏิบัติใน รูปแบบบางคนการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็มีกําหนดเวลา9โมงเช้า4โมงเย็นเมื่อเวลาทํางานในเมืองหรือเวลาทําราชการพอเลย4โมงเย็นไปแล้วก็ปล่อยตัวตามสบายเหมือนกับเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วก็เออก็ไปเที่ยวไปฟังเพลงแบบนี้ก็หมดนะสติมันก็ไม่ถึงที่สักทีน้ําก็ไม่เต็มสักทีเมื่อสติไม่ถึงที่ มันก็ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะนี้เราก็ต้องให้ระลึกว่าการปฏิบัตินี้มันไม่ใช่มีแต่ในรูปแบบอย่างเดียวต้องให้มันกลืนไปในชีวิตประจาวันในอิเลียบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทานผักการอาบน้ำการถูฟันทั้งหมดที่เป็น ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติไปด้วยให้การปฏิบัติมันกลืนไปในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไปและการปฏิบัติจะไม่ใช่อยู่ที่วัดเท่านั้นต้องออกไปข้างนอกก็ต้องมีด้วยอันนี้เราก็ดูได้ว่าอย่างเมื่อวานาออ น, ววา น, านีนนนน้เราออกไปที่อําเภอเราก็ถือว่าไอ้ที่ผ่านๆมานี่ยเป็นการฝึกการซ้อมเวลาออกไปที่อําเภออันนั้นแหละ ของจริงแล้วหรือว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงแล้วซ้อมใหญ่ก็ต้องกลับมาดูว่าเราสอบได้หรือสอบตกบางทีเวลาอยู่ในวัดก็เออก็ดีนะใจก็สงบดีออกไปข้างนอกนี่ก็เจอกระเจิงอันนี้ก็แสดงว่าสอบตกแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าก็เป็นการทําให้เรารู้ว่าเราไปเผลอที่ตรงไหนเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น มีประสบการณ์ว่าคือเออเราเผลอเพราะอะไราการสอบตกก็มีประโยชน์ทําให้รู้รู้ว่าเลยต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างดีกว่าไม่รู้อะไรเลยตอนในตัวนี้เมื่อคนไม่มีความรู้แต่ว่าไม่ไปสอบเมื่อไม่ไปสอบก็ไม่รู้ตัวเองมีความรู้แค่ไหนอาจจะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ไม่รู้ตัวแต่นี่เราออกไปออกไปเจอกับโลกภายนอกออกไปเจอกับผู้คน นะมีร้านหนังสือพิมพ์มีร้านขายของมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเรามีสติรู้ตัวหรือเปล่านะเมื่อรู้แล้วว่าเราสอบได้สอบตกเอากลับมาก็ก็ฝึกกันใหม่ให้การปฏิบัตินี่ให้เรารูกว่ามันเป็นแค่การฝึกเมื่อการชกมวยมันต้องซ้อมสนามซ้อมกับสนามจริงนี่มันไม่เหมือนกันการปฏิบัติ ในกุฏิในวัดนี่มันเหมือนการซ้อมเท่านั้นนะมันไม่ใช่ของจริงของจริงคือชีวิตชีวิตจริงของเราหรือโดยเฉพาะเวลาไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือเวลาไปทำงานนั่นแหละชีวิตจริงเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวนั่นถือว่าเป็นการซ้อมถ้าเราซ้อมแต่ไม่ไปลงสนามจริงเลยมันก็ป่วยการซ้อมเราซ้อมเพื่อที่จะเรา ไปลงสนามจริงไปเกี่ยวข้องกับผู้คนไปเกี่ยวข้องกับงานการต่างๆโดยเพราะอย่างโยมนี่ก็สนามจริงก็จะเป็นในห้องครัวนั่นแหละเวลาปฏิบัติอยู่ในกุเตนั่นถือให้รู้และลืมวันเดิงซ้อมนะจะซ้อมเล็กซ้อมใหญ่แล้วแต่แต่เวลาซ้อมแล้วไม่ลงสนามก็มีประโยชน์เราซ้อมก็เพื่อที่จะไปลงสนามจริงบางคนก็กลัวลงสนาม ก็เลยไม่กล้าลงสนามเอาแต่ซ้อมอยู่ในกุฏินั่นแหละมีงานการนั่นหลก็กลัวไปคิดว่าอันนั้นแหละการไปทํางานนั้นมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมจะทําให้ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าการปฏิบัติที่เราทำํำทำกันเป็นส่วนตัวนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันยังเป็นการซ้อมอยู่เราต้องลงไป ลงสนามจริงเราถึงจะรู้ว่าเราได้พัฒนาไปแค่ไหนแล้วแล้วก็ทํามองให้ดีในการลงการลงไปปฏิบัติกับงานกับการก็เป็นการปฏิบัติทําอีกแบบหนึง่งเป็นการปฏิบัติทําที่ต้องอาศัยความระแวดระวังมากขึ้นแล้วก็เป็นการเอาธรรมะไปใช้เรียนหนังสือแล้วแต่ไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราท่องสูตรคูณได้ท่อง ในห้องแต่ว่าเวลาไปซื้อของใช้เครื่องคิดเลขแทนเวลาไปซื้อของใช้เครื่องคิดเลขแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในการที่จะไปเรียนสูตรคูนท่องสูตรคูนได้นั้นก็ต้องเอาไปใช้นะเวลาไปซื้อของตามร้านก็ซื้อของกี่อย่างราคาเท่าไหร่ก็คำนวณได้ในหัวนะหรือก็เอามาคิดเลขเอามาขีดเอามาเขียนที่กระดาษแล้วก็ บอกได้ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าเอาไปใช้อันนี้เรียกว่าลงสนามจริงแล้วเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรู้ที่เรามีมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งคล่องนะยิ่งคํานวณในใจเวลาไปซื้อของหรือคํานวณโดยใช้กระดาษ ก, ก็ตามเนี่ยยิ่งทํามันยิ่งคล่องต่อไปก็สามารถคํานวณในใจได้ทันที ไม่ต้องใช้ปากกาไม่ต้องใช้กระดาษก็ได้การปฏิบัติในชีวิตจริงก็เหมือนกันในการทํางานก็ตามยิ่งทํายิ่งทํามันยิ่งคล่องสติยิ่งฉับไวมันไม่ใช่เป็นการแค่เอาสติไปใช้เอาธรรมะไปใช้แต่ว่าเป็นการฝึกให้สติรวดเร็วมาคือก็เป็นเมื่อการฝึกฝนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาลงไปทํางานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เข้าใจอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวการลงไปทำงานหรือว่าอย่าไปรังเกียจและขณะเดียวกันก็ให้ถือว่าในการที่เราออกจากลายนจงกรมออกจากการปฏิบัติมันก็ยังต้องรักษาจจให้มีสตอิอยู่อิเลียบทย่อยๆต่างๆอย่าไปถือว่าไม่สำคัญน้ําถูฟันเป็นเรื่องสาคัญ ถ้าเราทําให้ดีนี่มีอ น, นิสงฆ์มากมีคนก็คำนวณว่าคนเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําเนี่ยประมาณทั้งชีวิตประมาณเจปีแต่ยังน้อยกว่าเวลาดูโทรทัศน์อันนี้พูดถึงคนสมัยคนในเมืองนะใช้เวลาดูโทรทัศน์ทั้งชีวิตสิบสอปีแต่ว่าใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเจปีแต่ถ้าอยู่ในห้องน้ำยังมีสตินี่นะอ้มันมหาศาลเลยนะมันเทียบไม่ได้กับการเก็บอารมณ์เจวัน เก็บอารมณ์เวันแต่อยู่ในห้องน้ํา7ปีนี่มันต่างกันไกลถ้าอยู่ในห้องน้ําเป็นมีสติอยู่ในห้องน้ํอาอนิสงส์นี่มันมากกว่าเก็บอารมณ์เวันหรือ1เดือนด้วยซ้ำํำไม่ไปดูแคลนการใช้ชีวิตประจําวันของเราถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีสตนะิเพียงแค่เข้าห้องน้ําอาบน้ําถูฟันนะก็เยอะแล้ว แล้วเรากินข้าวกินใช้เวลานานเหมือนกันนะทั้งชีวิตกินกินข้าวใช้เวลามาเจ็ดแปปีเหมือนกันวันหนึ่งใช้เวลานานนะบางทีเกือบสองชั่วโมงกับเรื่องการกินข้าวเนี่ยแล้วถ้าตัดเวลาดูโทรทัศน์ไปได้นี่โอ้มีเวลาเยอะเลย12ปีทําะลรได้ยังเติมเยอะแยะหรือถ้าดูโทรทัศน์ก็ดูอย่างมีสติก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสําคัญอย่าเอาแต่เติมน้ําอย่างเดียว ต้องรักษาน้ำที่เราเติมเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้มันล่วนไหลหรือว่าล้วน้วน้อยที่สุดซึมน้อยที่สุดและถ้าเราทำให้ดีๆในชีวิประจาวันนี่มันไม่ใช่เป็นการแค่รักษาสติไม่ให้วนไหลอย่างเดียวแต่เป็นการเพิ่มปูนสติเข้าไปด้วยมันเหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ถ้าเราเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้แต่ว่าในนอกโรงเรียนเราไม่เขียนไม่อ่าน ไอ้ความรู้ที่เรามีก็ค่อยหายไปหายไปเด็กจํานวนไม่น้อยจบป .6 แล้วไม่เรียนต่อไอ้ความรู้ที่เรียนมาอาจออกเขียนได้ก็ซึมหายไปซึมหายไ ป, ยไปแต่ถ้าเราอ่านอยู่บ่อยๆเขียนอยู่บ่อยๆแม้จะออกจากโรงเรียนแล้วนอกจากความรู้จะไม่ซึมหายแนละ้วความรู้ก็จะแข็งมากขึ้นภาษาก็จะแข็งมากขึ้น้การเจริญสติก็เหมือนกันชีวิตประจําวันของเรามัน ถ้าเราจเจริญสติในช่วยประจําวันด้วยในอเรียบทต่างๆมันก็จะทําให้สติที่อุตสาสะสมมาในการปฏิบัติหรือในระหว่างการบวชหรือในระหว่างการมาอยู่วัดนะมันก็จะหายน้อยลงแล้วยังกลับจะเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนเวลาอยู่วัดหรืออยู่เวลาบวชด้วยซ้ํานั่นจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก นะต้องเอาใจใส่อันนี้ก็ต้องใส่ความไม่ประมาทแล้วเพราะถ้าประมาทเมื่อไหร่มันก็เห็นว่าไม่สําคัญก็ละทิ้งไปไม่เอาใจใส่ยังก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันกลืนไปกับชีวิตประจําวันนะไม่ว่าอยู่ในลานจงกรมหรืออยู่นอกจงกรมไม่ว่าอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดเหมือนกันหมด